รักการกันลงตาตอนที่ผมนั่งฟังตอนนี้ระหว่างน้องน้ง ห, นนงหันกับน้องหยกนะฮะที่ที่พูดวันนี้คือในทางทางธรรมดาของชีวิตคนทั่วๆไปนะฮะ ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็ได้มามาพบหลวงตาเพระเพื่อนจักก่อนนันนี้ที่ผมอยู่ของผมเนี่ยชีวิตของผมเป็นอย่างนี้ก็คือผมเป็นคนผิดพ่อติดแม่มากตอนที่พ่อผมเสียเนี่ยผมก็ตอนที่พ่อผมเสียผมเสียใจแค่แป๊บเดียวเพราะผมถือว่าผมทําดีสุดกับพ่อผมแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็บอกว่าอุดทิศทุกอย่างให้กับพ่อไปก็ ความเสียใจหรือว่าปล่อยวางมันก็จบตรงนั้นไปเลยหลังจากนั้นผมก็ทุกอย่างที่ที่มันรุนแรงหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่มีอะไรที่มากกว่าที่พผมเสียนะฮะคราวนี้ผมเจอพายุหรืออะไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ผมไม่รู้นะก็เหมือนกันน้องน้องหัน น, น, น้องหันเนี่ยก็คือก็ไม่ยึดติดอะไรมากจนแบบดีใจแล้วก็เสียใจมากอะไรเงี้ยมันจะหมดไปไปโดยเร็วมากสําหรับผมเพราะผมไม่เอามาเป็นทุกข์เลยฮนะ แต่ผมรู้ว่าอันนั้นมันคืออะไรแล้วก็แล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติจนมาตอนเนี้ยก็ที่หลว ง, งตาได้สอนมาว่าให้ผมเนี่ยสมาธิพุโทโธแล้วผมจะลองดูครับแล้วทุกอย่างก็น่าจะน่าจะดีขึ้นสำหรับของเราหลว ง, ง, งตาครับที่ให้ให้ช้ฝึกนั่นะ มันเป็นกรณีฝึกพิเศษอเหมือนกับว่าอะไร่ะเอ๊ฝึกเขาเรียกอะไรอย่างไปตำรวจก็ไปฝึกฝึกภาคสนามฝึกภาคสนามฝึกภาพพิเศษฝึกภาพพิเศษขิษ้นมาให้มันมีกําลังกายกําลังจิตที่เข้มแข็งอมีกําลังกายมีกําลังจิตที่เข้มแข็งแล้วก็จิตมันก็มีฤทธิ์มีอํานาจมีพลังมีอนุภาพของมัน จะคุ้มครองตนและคุ้มครองบริวารได้ทั้งหมดไอด้เรื่อนี้เปนกรณีพิเศษแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือปล่อยวางอย่างที่น้องๆเขาบอกนั่นแหละก็คือปล่อยวางปล่อยวางนี่คือหัวใจส า, าคัญแต่เราปล่อยวางแล้วเนี่ยมันเป็นหลักที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนาก็คือวาง เมื่อเราวางได้จริงๆเนี่ยวางแบบม้แต่การปฏิบัติธรรมคือการกระทาที่จะทําอะไรให้เป็นอะไรที่ว่าปฏิบัติธรรมก็คือการพย า, าพยามจะทําอะไรให้เป็นอะไรก็ต้องวางลงไม่มีแม้แต่ว่าเราจะไปเป็นอะไรเราจะไปถึงอะไรเราจะไปได้อะไ ร, ร, ะไไะไรก็ต้องวางลงมันนึกจะพ้นทุกข์จริงๆแต่เราอะเอาตัวเราไปตั้งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราจะไปถึงอะไรจะไปได้อะไรจะไปเป็นอะไรเราจะมีความรู้ความเห็นความเข้าใจอะไรอันนี้เป็นก็เป็นกิเลสมากขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ว า, วางลงแล้วก็อยู่กับมีสติตื่รู้อยู่ในปัจจุบันก็คืออยู่อย่างปัจจุบันอย่างเป็นปกติที่เราก็จะรู้เองว่าเมื่อเป็นปกติเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยไปปรุงแต่งอะไรที่มากกว่าปกติเราก็จะรู้ทันทีว่าเราเริ่มจะไปปรุงแต่งอะไรให้เป็นทุกข์มากกว่าปกติแล้วเช่นว่าเราเกิดมีความดิ้นรนทยานอยากอะไรที่จะไปเอาอะไรทางโลกเริ่มจะเป็นทุกข์แหลเราก็จะรู้ว่ามันมากกว่าปกติแะแต่ที่เราเนี่ย จะได้เลือ่อนจนเลื่อนตาแหน่งเลื่อนอะไรขึ้นไปก็คือได้บุญบรารมีที่เราระบาปคิดดีพูดดีทดําดีแล้วก็รักษาจิตใจของตัวเองเนี่ยให้เป็นปกตินี่แหละที่ไม่ไม่ไปยึดอะไรให้ไปเอาอะไรมาทําให้จิตใจเนี่ยมีกิเลสเศร้าหมองแล้วก็บวกกับจิตที่เราเนี่ยฝึกพิเศษมาจิตก็มีมีฤทธิ์อานาจมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นบุญบรารมีบวกกันเนี่ย แล้วเราก็จะอ่านจะเราเอกว่าความเป็นปกติเป็นยังไงความผิดปกตินิลนทะยานอยากไปเอาอะไรในทางโลกดิลนทะยานอยากจะไปเอาอะไรในทางธรรมแล้วแต่ไปกิเลสทางนั้นแน่อยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากเข้าใจอยากบรรลุอยากรู้แจ้งอยากอยากอกทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยแล้วแต่ไปกิเลสทางนั้นต้องรู้เท่าทันว่าอันเนี้ยมันเริ่มจะปรุงไว้ในทางโลก เริ่จะปรุงไปในการปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปเอาอะไรให้เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นกิเลสทั้งนั้นเลยแม้แต่ปรุงไปในทางธรรมเพื่อจะให้เราไปเป็นอะไรแม้แต่พยายามจะปรุงไปเอาสมาธิปรุงไปเอาสติปรุงไปเอาปัญญาปรุงไปเอาพริพานกิเลสมด์ น, นนะที่แต่มีสติตืร์ลู้อยปัจจุบันเนี่ยเรียวกว่ามีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่อยู่เบ็ดเสร็จทั้งหมดในนี้ที่บอกว่าให้ไปฝึกพิเศษก็คือฝึกให้มีสติเนี่ยอยู่กับเครื่องรู้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ได้สติตัวนี้มันจะมามจะพัฒนามาเป็นสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเองเข้าใจไห ม, มกลายเป็นพัฒนามาคือท้ายเนี่ยสติที่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่ว่าไม่ได้คิดว่าไปแม้จะไปเอาสติจะฝึกเพื่อจะไปเอาสติจะฝึกไปเอาสมาธิไปเอาฝึกไปเอาปัญญาฝึกไปเอาพรนิพพานไอ้นี่ล้วดไปกิเลสหมดเลยก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็ ถ้าเรามีสติตื่นรู้อยู่บันอยู่อย่าง ป, ปกติเนี่ยมีสติอยวปกติแลกว่ามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบนันคืออย่างปกติปกติเนี่ยแล้วก็ปกติอะไรก็คือปกติที่ไม่ไม่ดิ้นรนไปในมกมุ่นนี้หากว่างุดงุดงุดงุดอ่ะไม่บกบุญงุดงุดงุไปในทางโลกจะไปเอากูจะเอากูจะเอาอะไรอยากได้อยากเอาอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากบรรลุเอะไม่ในทางทางบุญเหมือนกันน่ะ มันก็เป็นกิเลสพ้าเราเนี่ยในขณะปัจจุบันไม่เป็นกิเลสอะไรเราก็อยู่อย่างปกติแล้วพอไม่มีไม่ปรุงอะไรไปเป็กิเลสมัน <bas> ก <hing> <ing> <Sim. S 2> ็เนี่ยคือปกติโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าเราพยายามไปปรุงให้ตัวเราเนี่ยเป็นปกติเป็นธรรมชาติไอการที่เราเนี่ยพยายามจะปรุงตัวเราให้เป็นปกติธรรมชาติอันเนี้ยมันเป็นกิเลสแต่การในขณะที่เราเนี่ยรู้ต้องฐานไปหมดว่าเราพยายามจะปรุงเพื่อจะไปเอาอะไรไม่แต่เอาจะเอาสติที่เป็นปกติธรรมชาติ อันนี้มันก็เป็นกิเลสพอเราอ่านออกหมดอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยวางมันไปทุกครั้งที่มันมีกิเลสอะไรขึ้นมาเมื่อเราปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆเราก็จอ่านอ่อยว่านี่เราเริ่มจะปรุงาทางกิเลสแล้วปรุงไปทางกิเลสโลกปรุงไปทางกิเลสทำแม้จะไปเอาพยายามเอาความรู้สึกตัวในปัจจุบันพยายามจะปรุงให้เป็นความรู้สึกนในปัจจุบันมันก็เป็นกิเลสพยายามปรุงแต่งให้มีสติมีสมา ธ, ธิมีปัญญาในปัจจุบัน อันนี้มันก็เป็นกิเลสคือเราจะไปเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเอาปัจจุบันแม้แต่จะไปเอาปัจจุบันก็เป็นกิเลสแต่เราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้เต่าทันเนี่ยเริ่มจะปรุงแต่งไปเอาอะไรได้ให้เป็นกิเลสอันนี้คือเรียกว่ามีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่มีสติตื่นรู้ในปัจจุบันคือเราอยู่อยา่างปัจจุบันจริงๆแล้วเราก็อ่านขาดหมดเลยว่า เราไม่ปรุงไปเอากิเลสอะไรเลยในปัจจุบันเรียกว่าเป็นผู้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแล้วที่สําคัญมากแต่คนทั้งหลายอ่านตรงนี้ไม่เข้าใจไม่ขาดตอนอยู่ในโลกก็ปรุงกูจะเอากูจะเอากูจะเอาออกไปโลกเสร็จก็ปรุงเลยออกจากนี่ไปก็ปูปรุงกูจะเอาทุกอย่างในทางโลกปรุงปุงปรุงปุงปุงไปเลยครับแต่ทางโลกงุนงุนงุนุนทีหางบอกว่างุนงุนุนพอเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ย อ่าตอนนี้จะตัดทังโลกแล้วแต่ปุงงุดงุดงุดุดงุดงุดจะไปเอาความรู้สึกตัวในปัจจุบันจะไปเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาเอานิพพานเอาความสุขเอาความพ้นทุกข์ปุงงุดงุดงุดุดุดอย่างนี้เท่ากับไม่มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันคือมีกิเลสอยู่ในกระดาปัจจุบันยังไม่รู้ตัวเลยอย่างนี้เท่ากับไม่มีสติแต่ที่การที่เราอ่านใจขาดทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยอ่านขาดทุกข์ในปัจจุบันว่าเออเนี่ก็อยู่อย่างปัจจุบันยังไม่มีกิเลส ที่ปุ่งงุ้นงุุ้้นไปจะเอาอะไรทางโลกปุ่งงุ้นไปพยายามจะได้หลนจะไปเอาอะไรทางธรรมเออเนี่ยแหละเป็นผู้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนี่แน่คือสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันที่เขาเรียกว่าพุทธโธหรือพุทธะแปลว่าผู้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันคําว่าพุทธะเนี่ยพุทธะเพื่อแปลว่า ผู้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเราจึงดูนั่นแหละชอบใจมากเลยที่ก็หนังพระเจ้ามหาสตาุตตะรโรธีเขาสร้างมาที่บอกว่าในภาคหนึ่งแต่ตอนที่พระเจ้าจะมามาเกิดในมาเกิดเนี่ยที่อะไรนะบิลลตสีที่อยู่บนภูเขาอิม่าแล้วก็รอพระเจ้ามานานมากเลยว่ารอนั่งรอเลยบอกว่ามาแล้ว ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจั ก, กรวาลเนี่ยมาแล้วม า, มาเกิดในโลกแล้วเรารับว่าโชคดีที่ถุดที่ในมาเกิดทันทันได้เห็นพระ อ, องค์แล้วก็มี ม, มีมีเหมือนกับเป็นดาวตกพุ่งลงมาแต่เดียฤาษีนะั้นเราจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะที่อสิตามุนีมะอะอสิตามุนีว่าบัดเนี้ยมาแล้ว เ่ผู้ที่ อ, อะไรก็ได้ผู้ที่เป็นอะไรนะัเป็นใหญใ่ในโลกในจักรวาลมาแล้วมาแล้วแล้วก็เราจะเรียกท่านว่าอะไรเนี่ยเราจะเรียกท่านว่าอะไรเนี่ยแล้วก็บุตรบุตรบุตรเรียกว่าพุทธบุตรแปว่า ผู้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันผู้ใดมีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเรียกว่าพุทธะหมดเพราะพุทธะแปลว่าผู้ม <right> ีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนั้นผู้มีสติตื่นรู้ในปัจจุบันเนี่ยหมายถึงผู้ทุกข์นปัจจุบันอ่านใจตัวเองขาดหมดเลยว่าไม่มีการปรุงแต่งพยายามไปดิ้นรนทยานอยากไปในในโลกจะไปเอาอะไรในโลกดิ้นรนทยานอยากจะไปเอาอะไรในทางธรรม นั่นแหละเรียกว่าผู้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันแต่ผู้ที่อยู่ในโลกส่วนใหญ่ก็มันจะปุงปู่งปู่งปุงปุ่งไปกูจะเอากูจะเอาดิสโลเทียหยากไปในทางโลกอยากเอาอยากเอาอยากเอานั่นเอานี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นงี้เนี่ย อันนี้ยพออยู่ในโลกกับหมกมุ่นในเรื่องอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างงี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างงี้ดี่นล่นอยู่ตลอดเวลาพอมาปฏิบัติธรรมบอกว่าอาจจะทิ้งโลกพอมาถึงก็ปรุงแต่งวุดยุดยุดยุดยุดุดุเจ้านิพพานเจ้าโสดาบานเอาสกิทาคามีเจ้าอนาคามีเจ้าอรหันเจ้ารู้แจ้งจะเอาบรรลุธรรมเอาความสุขสิทุกไม่มีสุท้าจะปรุงไปเอา เอสมาธิเอาสติเอาปัญญาปุงปุงๆรุงไ ป, งปจะเอาไว้ความรู้สึกตัวในปัจจุบนันมิสติตื่นรู้อยู่ปัจจุบันพยายามพยายามพยายามแต่นั้นน่ะมันกิเลสหมดเลยเริ่มปรุงเดินจงกรมอ่ะออกไปเดินจงกร ม, มก็โดยใจค า, าดหมายแล้ว่าเดี๋ยวออกไปเดินข่าวนี้เดี๋ยวอาจจะบรรลุธรรมนั่งสมาธิข่าวนี้อาจจะบรรลุสมาธิบรรลุธรรมมันปรุงตลอดเวลาเลยอย่างนี้แล้วอ่านใจตัวเองไม่ขาดอย่างนี้เรียกว่าไม่มีผู้ไม่มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันคืออ่านใจตัวเองไม่ขาดแล้วตัวเองนั่งทับกิเลสอยู่ นั่งสมาธิหลับตาแต่นั่งทับกิเลสอยู่ออกไปเดินจงกรมก็เดินจงกรมเดินทับกิเลสอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้เรียกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมโดยไม่มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันผู้มีสติตื่นรู้จับันคืออ่านใจตัวเองขาดตลอดเวลาว่ามันมีมันจะไปทำมันจ ะ, ะมันเป็นกิเลสอะไรบ้าเ น, นี่ยกิเลสโลกกิเลสทําหรือเปล่ากิเลสจะไปเอาอะไรในโลกกิเลสจะไปเอาอะไรในธรรมบา้าถ้าไม่มีจะไปเอาอะไรกิเลสโลกไม่เอาจะไปปรุงแต่งเอาอะไรในกิเลสธรรมมันก็เป็นผู้มีสติตื่นรู้อยู่ปัจจุบันโดยที่ ไม่ได้ทําอะไรก็อยู่อย่างปกติไม่ได้ทําอะไรพอทําอะไรปุ๊บเป็นกิเลสทันทีเลยคือจะไปทําอะไรก็จะเอาอะไรแถมบอกว่าไม่ได้ทําอะไรแต่ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ขาดสติที่ตื่นรู้ในปัจจุบันก็เพราะอะไรก็มันก็รู้อยู่แก่ใจไม่ไปทําอะไรแต่มันไม่มีกิเลสอะไรตรงนี้สําคัญนะเอหมันนิดเดียวเนะนี่ยตรงเนี้ยที่ หลวงพ่อชาสุภัโทเนี่ยท่านไปปฏิบัติอยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งตอนนี้ท่านก็ได้ข่าวว่าอาจารย์ท่านเนี้ยปฏิบัติโอ้โหเป็นพระอรหันต์และปฏิบัติดีมากท่านก็เลยไปอยู่ไปอยู่ด้วยพรากฏว่าตั้งแต่ท่านไปอยู่ท่านไม่เห็นอาจารย์ของท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิเลยท่านก็นึกนึกตาหนิใจเนี่ยนึกตําหนิอาจารย์ท่านในใจตลอดเลยท่านเลยพยายามเดินจงกรมใหญ่เลย เพราะท่านตำหนิอาจารย์ท่านแล้นี่ว่าอาจารย์ท่า น, า น, า น, า น, านไม่จริงอย่างที่เราพูดกันท่านเลยเดินจงกรมจ้ตอนนี้อาจารย์ของท่านะ เ, เห็นว่าหลวงพ่อชา เ, เดินจงกรมมาทับกิเลสอยู่ยังไม่รู้เลยคือเดินจงกรมเขาจะเอาจะเอาจะเอาทับกิเลสอยู่มันไม่มีสติตื่นรู้เดียบจิบนะัณฑ์แล้วก็ยังไม่รู้ตัวเลยเลยใช้ไปเย็บผ้าแกงเอาผ้าเอาผ้ามาให้เย็บ หลวงพ่อชาก็องหุดหงิดเครียดมากเลยว่าจะมาปฏิบัติธรรมมาใช้เย็บผ้าทําให้เสียเวลากับการเดินจงกรมการเย็บผ้าไม่ได้ทําให้บรทลุกิเลสบรรลุนิพพานทําให้เสียเวลาไป ม, มากเลยแทนที่จะเดินจงกรมนี่ใช้มาเย็บผ้าก็โมหุดหดงิดโมโหอยู่หงิดเนีลยหุดหงิดจออกไปรีบเย็บผ้าจะออกไปเดินจงกรมเพราะอะไ คิดว่ายังไม่เห็นเลยว่าไอเดินจง ก, กรมอจะให้อยากให้มันสิ้นกิเลสมันเป็นกิเลสตอนนั้นแหะอยากกิเลสที่อยากให้มันสิ้นกิเลสแล้วอ า, อาจใจเดี๋ยวไม่ขาดกิเลสอยากให้สิ้นกิเลสในทานจง ก, กรมอาจได้ขาดแต่พอมาเย็ยบผ้าแล้วหงุดหงิดมโมโหบอกว่าเนี่ยรีบจะเย็ยบผ้าเร็วๆจะไปเดินจง ก, กรมมันมันสิ้นกิเลสอาจารย์ท่านก็เดินมารูปหลังท่านชา กิเลสมันเกิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยแล้วจะไปเดินดับกิเลสในทาตจงกรมได้ยังไงเ้วท่านก็เดินไปเลยเข้าใจไหมมันเหนือชั้นกว่ากันแล้วก็เนี่ยมีผู้มาถามท่า น, นว่า การปฏิบัติที่ดีที่สุดเนียการปฏิบัติธรรมที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดคืออะไรคือจะต้องทํำยังไงพิธีปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดหลวงพ่ชาบอกว่าไม่ต้องทําอะไรคําว่าไม่ต้องทําอะไรของท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าขี้เกียจไปนอนหลับเลยนะเดี๋ยวใครฟาแกเนี่ยไม่เอาใจกไม่ต้องทําอะไรกลับไปนอนดีก ว, ว่า คือไม่ต like ้องทําอะไรเนี่ยแต่ว eh ่าท like ้องอ่านใจตัวเองขาดว่าเฮ้ยมันเนี่ยทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันมีไปมีกิเลสกับอะไรไหมนั่นแหละคือเป็นผู้มีสติต evet ื่นรู้อยู่ในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันคือถ้าไม่มีกิเลสกับอะไรทุกขณะปัจจุบันนั้นก็เรียกว่าผู้มีสติตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเรียกว่าเป็นพุทธานั่นแน่พุทธะเนี่ยนะมันจะว่าพยายามไปทําอะไรให้เป็นพุทธะพุทธะนี่มันในหมายถึงพุทธเจ้า พุทธะหมายถึงท่าพุทธเจ้าแหละผู้ที่รู้แจ้งแล้วทุกคนที่มีสติตื่รู้อย่าไปว่าเรียกว่าพุทธะหมด